ทัการหลวงพ่อครับช่วงนี้มัวน้อยลงครับแล้วก็กิเลสเต็มหัวเลยครับนะกิเลสเกิดขึ้นนะไม่ใช่ปัญหาพอจิตไปรู้กิเลสแล้วเนี่ยไม้จิตดีดีดร้ายกับกิเลสถนะึงจะมีปัญหาสภาวธรรมทั้งหลายเขาก็มีเหตุเขาก็เกิดไปตามหน้าที่ของเขา ถ้าเรารู้แล้วใจเราเป็นกลางใจเราไม่ดิ้นรนปรุงแต่งต่อนะใจก็ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้แต่ถ้าใจไปเห็นกิเลสขึ้นมาแล้วยินดียินร้ายกับมันนะมีปัญหายินดีกับมันก็คือตามใจมันยอมแพ้มันไปยินร้ายกับมันคือพยายามต่อสู้กับมันถ้าต่อสู้กับมันมันมีพลังขึ้นมานะ ถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยมันก็ผ่านไปเฉยเยไม่มีพลังจะมาทำลายเราได้หรอกเหมือนน้ํานี่ปล่อยให้ไหลไปไม่มีกำลังนะแต่ก้านเขื่อนเนี่ยมีแรงเยอะใจเป็นกลางไหมล่ะไม่ค่อยครับก็ยังยังพอเห็นก็ไม่ชอบอยู่เรื่อยครับแต่ก็ไม่ได้บอกให้ชอบนะให้รู้ทันตรงที่ใจยังไม่เป็นกลางนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้น สภาวะธรรมทั้งหมดเลยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะฝ่ า, ฝายปรุงแตง่งมันมีหน้าที่ปรุงแตง่งมันปรุงไปเรื่อยนะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์มันปรุงไปเรื่อยๆนี่เราพอไปรู้ไปเห็นสภาวะนะั้นแล้วใจเราเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาพอจิตเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็เกิดการทํางานที่เกิดทํางานคือการสร้างภพทางใจขึ้นมานั่นเอง เมื่อไรจิตทํางานขึ้นมาด้วยอํานาจบงการของความยินดียินร้ายของตัณหาเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีเลยเงั้นให้เรารู้สภาวะธรรมทั้งหลายตามที่เขาเป็นนะรู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่ต้องยินดียินร้ายถ้ายินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจอทั้งจิตเป็นกลางเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไป ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกมาแล้วไปกุศลนะกุศลมาแล้วไปเสมอกันหมดเลยพอเราเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเสมอภาคกันหมดเนี่ยด้วยความเป็นไตรลักษณ์ใจเราเป็นกลางใจเราไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อไปนิมมัติผลนิพพานมันจะอยู่ใกล้ๆนี้และวถ้าใจจะหยุดความปรุงแต่ง จะให้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายตามที่เขาเป็นนะรู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่ปรุงแต่งไม่เติมอะไรลงในการรู้รู้ไปอย่างที่มันเป็นจริงๆรู้สบายๆไปการปฏิบัติมันง่ายๆขนาดนี้งง่ายๆจนเรานึกไม่ถึงพวกเราไม่เข้าใจตรงนี้พอเราเห็นสภาวะธรรมที่ดีหรือที่มีความสุขเราก็อยากได้อยากรักษาถ้ามันไม่มีก็เที่ยวสแสวงหาอันนี้คือการทางานทางใจ เห็นสภาวะที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์หรือเป็นกิเลสอะไรขึ้นมาเราไม่ชอบก็เกิดดิ้นรนหาทางผลักไสมันหรือหาทางป้องกันไม่ให้มันเกิดนี่ก็คือการทํางานทางใจการทํางานทางใจไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดนะก็มีชื่อเรียกว่าพบนั่นเองคําว่าพบพอทำผ่าพอผ่านพระพุทธ เ, เจ้าสอนว่าพบนะไม่ว่าจะพบเล็กพบน้อยพบดีวิเศษแค่ไหนนะถ้ามีพบอยู่นะ เหมือนอุจจาระก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่น่าพิสมัยเหมือนเหมือนกันพบก็คือการทำงานของจิตนั่นเองจิตใจมันทำงานนี่พอมันรู้สภาวะแล้วเนะี่ยมันชอบทำงานเราไม่ไม่เข้าใจตรงนี้เราไปช่วยมันทำงานเช่นเห็นอกุศลก็พยายามต่อต้านทำลายไม่ให้มันเกิดอย่างเงี้ยเกิดแล้วให้ทาลายกุศลเราก็อยากให้มันเกิดพอ เ, เกิดแล้วอยากรักษา เกิดการทำงานความทุกข์จะเกิดทันทีเลยนี่ถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้มันจะขัดกับคำสอนเกี่ยวกับสัมมาวายามะหมสัมมาวายามะบอกว่าให้ละอกุศลที่มีอยู่ให้ปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดให้ทำกุศลให้เกิดกุศลที่เกิดแล้วทาให้เจริญขึ้นสัมมาวายามะไม่ได้ทำเพราะความอยากสัมมาวายามะเกิดจากสัมมาสติ ทันทีที่เรามีสติอย่างเรากําลังเผลออยู่เนี่ยทันทีที่มีสตินะกุศลคือความเผลอถุกละทันทีในขณะที่มีสติอยู่ความเผลอเกิดขึ้นมาไม่ได้กุศลได้เกิดขึ้นแล้วทันทีที่เกิดสตินั่นแหละคือมีกุศลเมื่อกุศลเคยเกิดแล้วกุศลก็เกิดได้ถนัดขึ้นชนํชนานี้ชํานาญเกิดบ่อยขึ้นบ่อขึ้นกุศลเจริญขึ้นดังสมาวายามะเนี่ยเกิดจากสมมาสตินั่นเอง มีสติถูกต้องแล้วก็กุศลเจรนากุศลก็ดับไปไม่ให้ทําเพราะความอยากคนละเรื่องกันเลยนะถ้าเรามีความอยากขึ้นมาใจก็ดิ้นใจดิ้นเมื่อไหรใจทุกข์เมื่อนั้นให้ดูลงไปนะดูลงไปให้รู้ทันเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกสิ่งที่จิตไปรู้นั่นแหละเราจะรู้อะไรก็ได้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงถ้าดูมันเป็นก็จะเห็นเลยทั้งหมดนั้นเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษ ความสุขก็เสมอกับความทุกข์คืออยู่ช่วคราวกุศลก็เสมอกับอกุศลคืออยู่ชั่วคราวใจของเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคกันเรารักกันหนึ่งเกลียดกันหนึ่งพอรักกันหนึ่งเกลียดกันหนึ่งนะเกิดสติกริยาเกิดการทํางานทางใจขึ้นมาเกิดภพขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนี่ถ้าเรามีสติปั๊บขึ้นมานี่ความปรุงแต่งขาดไปพพก็ดับลงตรงนั้นเองก็เกิดภพชนิดหนึ่งใหม่นะเป็นพบที่เป็นกุศล ภพที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาก็ทุกไปแบบคนมีสติมีปัญญาอีกชั้นหนึ่งนะนั้นเว้นไว้ก่อนเถอะเป็นพบดีเดียไว้ก่อนเนะี่ยพโง่โงค่อยๆรู้ทันไปก่อนนี่บางคนคิดมากสติก็ต้องอยู่ในภพเหมือนกันกิริย์คิดเดียวกันนะไม่จําจำเป็นนะเนี่ยสติของพระอราหันต์นี่ไม่ได้ตั้งในภพ ใ, นใจไม่ได้ทำงาน ง่ายๆนะการปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นทางกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทางใจคอยคอรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปแล้วจิตใจเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันมันพอรู้ทันมันเนื้อถ้ารู้ทันอย่างถูกต้องนะความยินดียินร้ายจะดับไปเองอัตโนมัติเลยทันทีที่สติเกิดนะความยินดียินร้ายจะดับอัตโนมัติเลยพอความยินดีร้ายดับเนี่ยการทํางานทางใจจะไม่เกิดขึ้น จิตจะมีความสุขมีความสงบรู้สึกตัวตื่นอยู่นี่ได้ต้นทางการปฏิบัติแล้วตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเป็นกลางกับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้นทางที่จะเกิดมากเกิดผลง่ายนะไม่มีอะไรหรอก <c oughs> เวลาที่เราเกิดสติขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยค่อยๆละความเห็นผิดไปทีละน้อย ตลอดเวลาในสังสารวัตยาวนานที่เราเวียนตายเวียนเกิดอยู่หรือกระทั่งในชีวิตนี้เราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมานะเราลืมตาขึ้นมาเราก็มองคนอื่นก็มองคนอื่นเห็นคนอื่นนะั้มีตัวเราขึ้นมาอีกมีเรามีเขามีคนมีสัตว์มันพอ่อฝูงความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวล า, เ, าเห็นนะเห็นพ่อเห็นแม่เห็นญาติพี่น้องเนะี่ย เห็นเพื่อนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นหมาเห็นแมวมันเป็นคนมันเป็นสัตว์ขึ้นมาหมดเลยอย่ถ้าเมื่อไร่เรามีสติขึ้นมาอย่างแท้จริงเราจะเห็นในสิ่งที่ตามองเห็นก็แค่รูปเท่านั้นเองคือสีวันนรูปเรียกสีไม่ใช่วรณโรคนะวันนรูปวันนรูปคือสีเห็นแค่สีไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรือความรู้สึกทางใจอย่าถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นในความโกรธเกิดขึ้นเราจะเห็นความโกรธไม่ใช่คน ความโกรธไม่ใช่สัตว์ความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเขาความโกรธเป็นนามมาทอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปเใช่ไม้มพอเรามีสติตัวจริงขึ้นมามันค่อยๆละความเห็นผิดไปแต่เดิมมีขาดสติไปก็มีแต่ความเห็นผิดสะสมไปเรื่อยๆเห็นมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาพอเรามีสติขึ้นมาเราเห็นในรูปธรรมก็มไม่ใช่คนใช่สัตว์ คุณมาลีรู้สึกไหมเห็ น, นรู้สึกไหเวลารูปลงมาเนี้ยเป็นท่อนๆเลยนะเป็นท่อนๆแข็งๆเนี่ยตัวรูปอะรูปที่แข็งๆรูปดินนะรูปดินมันอุน่นๆด้วยนะรูปไฟรูปไฟเราจะรู้สึกเลยรูปลงมาป๊อเลยรู้สึ ก, สกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่แค่วัตถุเท่านั้นแค่รูปรู้สึกทันทีนะแต่ถ้าขาดสตินะโอ้ยตัวอะไรกัดมือเราเห็นไหม เกิดเราขึ้นมานละ้วนือมือเราคันนั่นเพราะเรามีสติขึ้นมานะันจะเห็นรูปธปรรมไม่ใช่ตัวเราเห็นนามธรรมาไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วใช่ไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่คนความสุขความทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านมาผ่านไปเท่านั้นเองนีนค่ค่อยๆละความเห็นผิดว่ามีเราไปเรื่อยๆละมากเข้ามากเข้านะจะเห็นทุกอย่างให้ตัวเราหายไป ในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราในความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราในความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราในความคิดคำนึงที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตเองเกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจตัวเราหายไปเริ่มภาวนามาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะตัวเราหายไปเนี่ยจะเกิดอาการประหลาดประหลาดขึ้นมาบางคนกลัว คนกลัวบางคนรู้สึกเวิงว่างไม่มีที่พึ่งแล้วตัวเราหายไปแล้วแย่แล้วเวิงวางรู้สึกเวิงวางบางคนกลัวนะรู้สึกน่ากลัวเหลือเกินตัวเราหายไปแล้วเคยมีอยู่มาตลอดชีวิตเลยอยู่ๆหายไปบางคนรู้สึกเบื่อทุกอย่างเลยนะเบื่อสุขเบื่อทุกเบื่อดีเบื่อชัว่วเพราะตัวเราไม่มีแล้วจะเอาสุขเอาทุกเอาเดียวชั่วไปทําไมมันเบื่อทุกอย่างเสมอภาคกันหมดเลย <c oughs> อาการเหล่านี้นะ <c oughs> เป็นปัญญา <c oughs> ในระดับกลางๆ แต่อาทินาวายานมีพยาตูปัฏฐานายานอัตินาวายานนิพพิธาญานญาณ น, นิคอยู่ในกลุ่มเดียวกันตำราชั้นหลังมาแยกเป็นสามญาณในพระไตรปิฎกบอกว่าสามญาณ น, นี้เหมือนกันโดยอัฏฐะต่างกันโดยพยัญชนะหมายถึงภาษาเรียกต่างกันแต่เนื้อหามันเป็นอันเดียวกันคือมันเป็นอาการเพียเพ้ยนๆของใจที่ตกอกตกใจขึ้นมาว่าตัวเราหายไปนะ่นแหะ นี่ถ้าเราภานาเกิดความรู้สึกตกใจขึ้นมาแล้วตัวเราหายไปหรือเบื่ออะไรนะให้ดูลงไปอีกความเบื่อความตกใจความเวื้งว่างอะไรพวกนี้เป็นของแปลกปลอมเหมือนกันเหมือนกับอารมณ์อื่นๆนั่นแหละพอดูมันก็หลุดออกไปอีกใจก็ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเกิดดับอยู่อย่างนั้นเองจิตหลงยินดียินร้ายบ้างรู้ทันขึ้นมาก็เป็นกลางบ้างต่อมาก็เริ่มมีปัญญาขึ้นมา ถ้าหลงยินดียินร้ายแล้วหลงทํางานทางใจความทุกข์ก็เกิดถ้าไม่ยินดียินร้ายนะเป็นกลางไม่มีการทํางานทางใจความทุกข์ไม่เกิดค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นในะนี้สุดสุดมันไปรู้สภาวะโดยที่มันไม่ยินดียินร้ายมันเป็นกลางอัตโนมัติเพราะมันฉลาดมันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยแล้วถ้าหลงยินดียินร้ายมันจะทุกข์แต่ถ้าปัญญาปฏิกิริมาถึงจุดนี้นะั้นนึกว่ามีสังขารู้เบิกขายาน มีปัญญาที่จะเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหมดเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วนักปฏิบัติเราต้องมุ่งมาสู่จุดนี้นะต้องมุ่งมาสู่จุดนี้เพราะสังขารู้เบิกขายานี่คือประตูของการบรรลุมรรคผลนิพพานพวกเราหลายคนภาวนาเนะีมันเหมือนตามยะถากรรมนะทำทำไปเหอะทำทำไปเหอะทำทำไปเหอะทำอะไรก็ไม่รู้เถ อ, อทำส่วนใหญ่นอกรู้นอกทางนะ มากก็ไปแค่ทําความสงบจิตบังคับก า, ายบังคับใจทําอยู่อย่างนั้นะกี่ชาติมันก็ไปไม่รอดหรอกต้องมีสติขึ้นมามีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมามีปัญญาเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงเห็นเลยทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้เห็นเลยถ้ามีกระบวนการทํางานเกิดขึ้นมีความอยากเกิดขึ้นมีการทํางานเกิดขึ้นจะมีความทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้นะเห็นซ้ำซ้ำซำ้ลงไปในใจเรา ใจจะค่อ ย, ยกระหยับกระยับขึ้นมาในสุดเป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะก็ขาดเลยพอรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงจิตไม่ทํางาน น, นั่นเอจิตไม่ปรุงต่อพาจิตไม่ปรุงต่อจิตไม่ทํางานเนะี้ยจิตจะไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งคือนิพพาน น, นั่นเองเป็นเรื่องเต็มไปด้วยเหตุผลไม่ใช่เรื่องฟลุกนะใช่หลับหูหลับตาภาวนาไปเถอะเดี๋วชาตินึงก็นิพพานไปเองนะไอ้นั้นชาตินั้นอยู่แสนไกลเลย หรือเดินจงกลมไปเดินไปเถอะเดินไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เองอะ่ะโอ้เราก็เดินมาตั้งแต่เกิดทำไมมันไม่รู้ล่ะหมาแมวมันก็เดินนะทำไมมันไม่รู้ล่ะมันต้องเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาถึงจะรู้ไม่ใช่เดินตามยถ า, ากรรมนั่งตามยถ า, ากรรมทนทนทำไปเถอะดูไร้ความหวังเกินไปนะไร้ทิศทางต้องฟังนะธรรมะต้องฟังจนเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติจริง เราอยากได้มากผลนิพพานต้องรู้ทุกนะต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ทุกการปฏิบัติวิปัสสนานะถ้าทิ้งกายทิ้งใจคือไม่ได้ทำวิปัสสนาหนูพ่อตะกอน20่กว่าปีแล้วสมัยนะั้นอาจารย์มหาบัวยังอายุไม่มากนะ50กว่ากว่า60ล้ ว, ลวนะ่เคยไปเรียนกับท่านเหมือนกัน บอการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันสอนอย่างนีนะ้ตอนนั้นเราเด็กเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันบอกอย่ากเกินเนี้ยไวนะจริงมีแค่นั้นบางโอ๋ก็สอนย่อๆนะหลวงปูทาายังอยู่ไหมทํำซับมืดยังอยู่ใช่ไหมเขาน่าเก่งนะุธาพุธาสอนมีสติรักษาจิตนี่ ต้างทำเสียงอย่างนี้แน่ๆต้องรักษาจิตนถ้ารักษาจิตนี่แสดง ว, ว่าตัวปลอมมีสติรักษาจิตสติรักษาจิตหมายถึงจิตมันขยับไปเยื่นเคลื่อนไหวก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆ อ, อกุศลจะครอบงําจิตไม่ได้หลวงปู่ดูลก็สอนให้ดูจิตหลวงปู่เทศสอนให้รู้จิตกระใจแต่และองค์สำนวนต่างๆกัน บอกจิตอันใดใจอันนั้นแหละอันเดียวกันแต่ทําหน้าที่คนละอันกันใจทําหน้าที่รู้สึกรู้ทําหน้าที่รู้จิตทําหน้าที่รู้สึกนึกคิดมีการนึกการคิดเจือปนเข้ามาด้วยนั่งสังเกตดูใจเราจะมีสองแบบจิตใจเราเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกเฉยเเดี๋ยวก็ปรุงแต่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ปรุงแต่งผู้หลง ให้รู้ไปจิตเป็นผู้รู้รู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ทันจิตเป็นผู้หลงก็รู้สึกตัวรู้ทันไป <c oughs> โยมเห็นหลวงพ่อแรมกับายนะไม่ต้องเอาอยากแก้ไอมาถวายนะเยอะหลวงพ่ออม <c oughs> ทุกวันนะบางวันมาเยอะแยะเลยถ้าฉันของโยมทุกคนนะขอความเมตตาฉั น, ฉนหลวงพ่อตายไปแล้ว <c oughs> สึกไหมหลวงพ่อพูดให้ตลกแล้วนะใจก็หนีไปหมดเลยสึกไหมใจกันหนีไปเลยเผลอไปส่งกันบ้านเลยเดี๋ยวว่าหลวงพ่อผูกขาดพูดคนเดียวตอนนี้หนูเดินจงกรมเนี่ยเจ้าค่ะเวลาเท้ามันกระทบที่พื้นปุ๊บเนี่ยใจมันกระเพื่อมไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าถูกกระทบปุ๊บมันก็กระเพื่อมมันทใจทุกครั้ง ไม่เฉพาะเท้ากระทบพื้นนะตากระพริบใจก็ยังไหวเลยเรากระพริบดูสิเนี่ยนะเพราะะนจิตเนี่ยมันไหวอยู่เรื่อยๆไหมตลอดวันตลอดคืนห้ามมันไม่ได้ดเห็นการเกิดดับเคลื่อนไหมเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ตอนนี้เวลาเจออากุศลเนี่ยจิตเป็นกลางมากขึ้นแต่ยังรู้สึกว่าเวลาสุขเนี่ยมันไปติดยินดีอยู่บ้างเนะค่ะมันติดดีติดสุข ดีกับสุขมันล้ายากเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วนะความดีอะไรพวกนี้ละง่ายนี่พวกเราเวลามองสภาวะมกักจะมองด้านเดียวอย่างเราจะรู้สึกว่าความชั่วทำง่ายความดีทายากอะไรเงี้ยจะรู้สึกอย่างนั้นนะพรูเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่ที่ตายตัวขนาด น, นั้นบอกว่าความดีนะคนดีทำง่ายคนั่วชั่วทำยาก ความชั่วนะคนดีทำยากนะคนชั่วทำง่ายเนี่ยธรรมะมันไม่ให่ด้านใดด้านหนึ่งมันยิงอาศัยกันมีเหตุมีผลสัมพันธ์กันไปหมดมันเป็นสัมพัทธภาพสัมพันธ์กันหมด น, นี่พวกเราเวลาศึกษาธรรมะเราจะเห็นเป็นด้านด้านไปแต่ทั้งอริยสัจนะเห็นไม่เท่าพระพุทธเจ้าหรอกไม่เท่าอย่างพวก ตาละหันทั่วๆไปละหันตาสาวกเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ เ, เป็นอันละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมัจรู้ได้แค่นี้นะอย่างเนี้ยสมัยพุทธกาลเนี่ยพระป๋องไปเจอในพระสูตรก่อนได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆรู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมัจนะหลวงพ่อพูดเองเปล่าเขไม่รู้ไม่มีตำราหนุนหลังนะ หลังท่านไปค้นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเจอพระสูตรอย่างนี้เข้าเรื่องขวัมปฏิสูตรเป็นเรื่องของพระรหันหลายวงค์เนี่ยท่านไปบินธบาติท่านไปอยู่ด้วยกันแล้วไปบินธบาติกลับมาฉันข้าวแล้วท่านก็สนทนาธรรมกันเห็นไม่ไม่ใช่ฉันแล้วนอนนะวันนั้นท่านฉันแล้วนั่งสนทนาธรรมกันไม่ได้รีบไปปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติเสร็จแล้ว ท่าก็ลงมติกันบอกว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันลาสสมุไทยแจ้งนิโรธเจริญมรรคลงมติเห็นเหมือนกันหมดเลยนี่มีอยู่องค์หนึ่งชื่อพระขวัมปติเป็นเพื่อนพยาสะเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่บรรลุทำตามพระพุทธเจ้านะกลุ่มพยาสะพวกพาราณสีพระขวัมปติบอกว่าท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนมาเองได้ยินด้วยตนเองได้ฟังทำจากพระโอษฐ บอกว่าถ้ารู้ทุกข์ก็เป็นอันล้าสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคตรงกับที่พระอราหันต์ทั่วไปเห็นแต่พระเจ้าสอนอีกนะถ้าล้าสมุ ท, ทัย ก, ก, ก็เป็นอันรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าแจ้งนิโรธก็เป็นอันรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมรรคถ้าเจริญมรรคก็เป็นอันรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเนี่ยปัญญาของสาวกนี่นะตามไปไม่ไหวมันลึกซึ้งเกิดแค่รู้ทุกข์ละสมุทยัย แค่รู้ทุกข์ก็เป็นละสมุทัยแจ้งนิโรธเราก็ไปไม่ไหวละละทุกรู้ทุกข์แล้วไปละสมุทัยได้ยังไงเราไม่เข้าใจเรารู้แต่ว่าถ้าละสมุทัยเราจะพ้นทุกข์ถ้าละสมุทัยคือละตัณหาแล้วจิตจะพ้นทุกข์เราเห็นอยู่แค่นี้นี่ธรรมะแท้ๆไม่ได้มีแค่นี้ท่านถึงเริ่มต้นด้วยทุกข์ให้รู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยของเราจะ ความเข้าใจเราได้แค่ละสมุทัยก็คนถูกดับทุกข์อะไรเงี้ยถ้าถ้าธรรมะมันเป็นแค่นั้นนะท่านจะเริ่มต้นด้วยสมุทยัยท่านจะไม่เริ่มด้วยทุกข์หรอกอันนี้ท่านเริ่มฟันเปรี้ยงลงมาโดยการรู้ทุกข์การู้ทุกขนะ์น่นแหละคือการเจริญมรรคถ้าเมื่อไหรเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะใจนี้ใจนี้เป็นแค่รูปธรรมนามธรรมที่ยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่เรา ตัญหาจะหมดทันทีตัญหาจะไม่เกิดขึ้นมาตัญหามันเป็นความอยากจะให้กายนี <forgiveness> says, meantime, ami, ้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์ก็เมื่อกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแล้วเนี่ยจะไปอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ทำไมเเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่คือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ปัญหาคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขให้พ้นทุกข์จะหมดไปเองมันจึงบอกว่ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัย ทันทีที่ตันหานดับลงไปดับสนิทลงไปนิโรธก็แจ้งขึ้นในฉับพลันนั้นเลยนิโรธแจ้งในฉับพลันเห็นนิพพานทันทีนั่นนิพพานคือสันติสุขนิพพานคือความดับของตันหานั่นเองในการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจที่เรียกว่าการเจริญมรรคจนกระทั่งปัญญามันแจ้งในฉับพลันนะในขณะจิตเดียวที่แจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆ น, นะแจ้งในฉับพลัน สมุทัยก็ถูกละทันทีนิโรธก็แจ้งทันทีเลยในขณะจิตเดียวกันนั่นเองธรรมะละเอียดลึกซึ้งต้องค่อยๆศึกษาพวกเราฟังธรรมะล้วก็รับธรรมะได้นะแต่ได้นิดๆหน่อยๆแล้วเรานึกว่าเรารู้ธรรมะนะอย่างพวกเราเรียนเรื่องอริยสัจสี่มาหลงพ่าเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนมีวิชาศิลธรรม มีวิชาศีลธรรมต้องเรียนอริยสัจสี่นะทุกคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สมุทัยคือตัณหามีสมอย่างนิโรธคือตายคือนิพพานนิพพานแปลว่าตายกระทรวงศึกษาสอแนแต่ก่อนเนี่ยตอนเด็กๆนะเออเราจะต้องดับทุกข์นะดับตัณหาแต่ไม่เอานิพพา น, นไม่เห็นดีเลยนิพพานแปลว่าตายก็เข้าใจว่าเข้าใจาศาสนาแล้วนะเพรสอบได้ นะเข้าใจอริยสัจโอ้โหกว่าจะเข้าใจว่ารู้ทุกข์คืออะไรนะหนักหนาสาหัสเถอะกว่าจะเข้าใจทุกข์อย่างเราจะรู้สึกตลอดเลยร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยคนไหนที่คิดว่ารู้อริยสัจแล้วนะต้องวัดใจตัวเองดูนะวัดอย่างซื่อรู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง ถ้ายัางรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจนั่นแหละข้ามภพข้าชาติไม่ได้หรอกถ้ายัางมีทางเลือกนะว่าทุกบ้างสุขบ้างเราจะเลือกเอาสุกเราจะเลือกที่จะหนีทุกจิตจะเกิดการทํางานขึ้นอีกจิตจะปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติขึ้นอีกถ้าเราตามรู้กายรู้ใจจนสติปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นใะนกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆทุกข์ล้วนๆ น, นะไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างไม่เห็นหรอกพวกเราอ่ะ จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เห็นอย่างนี้แต่ถ้าปัญญาแจ้งจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์นะมันจะวางมันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันไม่ใช่มีทุกข์กับสุขตราบใดที่ยังเห็นว่ามีทุกข์กับสุขนะมันจะวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์ไม่เลิกหรอกอัตโนมันติเลยเพราะมันยังมีทางรอดอยู่มีทางเลือกแต่เมื่อวันใดเห็นในกายนี้ ใ, นใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆทุกทุกอนูเลยนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ไม่มีทางเลือกที่สองแล้วมันจะสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจออกไปได้เนื่นการรู้แจ้งอริยสัจนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดพระเจ้าเคยพูดว่าตใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกและจิตยังผูกพันที่จะยึดรูปยึดน้ำไปด้วยพอรูปนามนี้แตกสลายลงมันก็เที่ยวไปยึดรูปนามมันใหม่ขึ้นมาอีก ก็จะมีสร้างพบสร้างชาติไปไม่รู้จักสิ้นสุดระับใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจนะภพชาติก็ไม่สิ้นสุดภพก็คือการทํางานของจิตใจนี่เองชาติก็คือการที่จิตใจไปหยิบฉวยเอารูปเอานามขึ้นมาเป็นเจ้าของครอบครองไว้คือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจคือการได้มาซึ่งรูปประธรรมนามธรรมานั่นเองแล้จะต้องเกิดร่าไปแต่ถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะจะไม่เอาละ จะหมดความอยากไม่จะหยิบช่วยอีกละงั้นถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังไม่พ้นจากทุกข์หรอกมีใครถ้าเข้าใจคิดว่าโอ้เรารู้ธรรมะแล้วรู้ธรรมะแล้วนะแต่ไม่แจ้งอริยสัจนะไม่ใช่ตัวจริงหรอกค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังบางคนว่าหลวงพ่อพูดยากหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดง่ายหรอกแต่ก็ไม่ได้ยากเกินวิสัยที่จะเรียนนะ อริยาาสัจสไม่ใช่ธรรมะที่สงวนเอาไว้สําหรับคนที่เรียนธรรมะมากๆอริยสัจสีคือธรรมะที่ชาวพุทธทุกคนควรจะเรียนรู้ตอนตรัสรูใหม่ๆพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสีกับพระยัสสานะพระยัสสานเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสออกมาจากบ้านมาจากบ้านเดินมากลางดึกเดินบนมานะที่นี่ขัดข้องเนาะ ที่นี่อะไรนะวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอคือวุ่นวายสองเท่าหนอแปลว่าสองใช่ไหมเดินออกมาหน้าบนบนมามาเจอพระพุทธเจ้าเจ้าบอกที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไหนไม่ขัดข้องที่นี่ที่ไหนที่ไม่วุ่นวายรู้ไหมที่จิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นแหละไม่ขัดข้องไม่วุ่นวาย แล้วท่านเทศธรรมะให้พระยัสสะฟังชื่ออรุปปุพิกถาสอนเรื่องการทำทานนะทำทานแล้วดีนะถือศีลแล้วดีนะจะได้ขึ้นสวรรค์แต่สวรรค์เป็นของไม่เที่ยงกามมาสุขเป็นของไม่เที่ยงควรจะศึกษาธรรมะเพื่อจะพ้นจากความทุกข์รั้งปวงแล้วท่านก็สอนอริยสัจพระยัสสะฟังอริยสัจครั้งที่หนึ่งนะได้พระโสดาบันฟังแล้วได้พระโสดาบัน เสร็จแล้วพอเช้าขึ้นมาพ่อท่านมาตามพ่อท่านมาตามพระพุทธเจ้าเทศอนุปปพิกถานเรื่องทานศีลสวรรค์เรื่องรรโทษของสวรรค์แล้วก็เรื่องอริยสัจให้พ่อของท่านฟังพ่อท่านได้พระโสดาบันตัวท่านเป็นพระอรหันต์อริยสัจยังไม่ใช่ธรรมะลึกซึง้งถึงขนาดที่ว่าห้ามเรียนนะต้องใจถึงถึงต้องกล้าเข้าไปเรียนนะมันคล้ายคการเรียนหนังสือสมัยก่อนสมัยลวงพ่อเรียนหนังสือ เรียนกอไก่คอไข่เนีเรียนต้องเรียนโอ้โหเรียนแบบกขาขงจ่ฉชัช่ายนะเรียนโบราณโบราณเนี่เรียนโอ้โหทองออกเสียงทุกชนิดทุกตัวนะแบบเรียนรุ่นหลังๆใช่ไหมเขียนเป็นเรื่องๆมาให้อ่านเลยดันั้นคิดว่าแม่ต้องต้องตั้งแต่กอไก่กอไก่เนี่ยไปผสมกสละแต่ละตัวจะออกเสียงยังไงใส่วรนใยุต์แล้วจะออกเสียงยังไงมีตัวสะกดแต่ละตัวออกเสียงต้องเรียนจนครบหมด จริงมันไม่ได้ยากเรียนภาษาก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไหมหานิยายสนุกสนุกมาให้เด็กมันอ่านเดี๋ยวมันก็อ่านเป็นเรียนธรรมะก็เหมือนกันนะไม่ต้องมานั่งคัดปารีเลยุ่งยากหรอกนะอย่าไป น, นึกว่ามันยากเกินไปฟังอริยศาสตร์นะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะฟังไปวันหนึ่งก็เข้าใจว่าต้องรู้กายรู้ใจนี่เองถ้าหลุดออกจากการรู้กายรู้ใจไม่ใช่เรื่องการทํามิปัสนาละ ไม่ใช่ทางพนทุกข์ละหลวงพ่อเทศเรื่องพวกนี้ไว้เยอะนะเดี๋ยวจะอยู่ในซีดีแผ่นปัจจุบันที่กำลังแจกนี่ก็มีแผ่นต่อต่อมานี่ก็มีอนนั้นก๊อฟให้ในโยไปครับแต่นั้นเทศแต่เรื่องอริยสัจเยอะเลยบอกโยไปเลือกเอาปรากดว่าโยไม่ยอมเลือก ไอ้ น, นี้ก็ดีครับไอ้ น, นี่ก็ดีเดี๋ยวผมจะค่อยๆใส่มาเรื่อยๆตอนนี้ซีดีอยู่แถวเดือนกันยาตุลาอะไรโน่นอ่ะมั้งซีดีที่ปัมป๊มๆออกมาเนี่ยตามไม่ทันที่หลวงพ่อเทศเรื่องอริยาาสัจนะสำคัญต้องเรียนอย่านึกว่ายากเกินไม่ยากมันยากเพราะไม่เคยได้ยิน ไปที่ไหนเราก็ได้ยินแต่เรื่องเวลาปฏิบัตินะนะเข้าสํานักไหนก็จะได้เรียนแต่ว่าให้หายใจแบบนี้สิให้ลมกระทบตรงนี้สิเอาจิตตั้งไว้ตรงนี้สิเดินจงกรมมีเท่านี้จังหวะนั่งมีเท่านี้จังหวะเนี่ยขยับมือมีเท่านี้จังหวะเนี่ยเราเรียนไปที่ไหนเราก็เรียนแต่เรื่องพวกนี้กันทั้งที่เรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไอะไรพระเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเวลาหายใจเข้าหายใจออกลมกระทบกี่ฐาน ขยับมือมีกี่จังหวะไม่มีเดินจงกรมมีกี่จังหวะไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ชั้นหลังสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมารวนๆเลยที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะสติเกิดเองเลยคนที่ทนฟังหลวงพ่อพูดสองผลสาผลเนี่ยสติจะเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องอัศจรรย์นะฟังธรรมะไปเถอะเนี่ยสติเกิดขึ้นมาได้ ถ้า ส, สติเกิดเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นแค่เปลือกมันเป็นรูปแบบของการปฏิบัติหลักคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างท่านสอนว่าท่านสอนใบไม้หนึ่งกำมือใบไม้มีทั้งป่าแต่ท่านสอนกำมือเดียวเพราะว่าแค่นี้จําเป็นสําหรับความพ้นทุกข์นั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็คือสิ่งที่ท่านสรุปว่าไม่จําเป็นนั่นเองพวกเราทุกวันนี้กําลังเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าจําเป็นนัน เราก็เลยตาะแตะตาะแตะไปเรื่อยนะวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีบางทีเป็นพระอรหันต์แล้วอีกวันหนึ่งไล่ตีกับสามีแล้วนะหันไปหันมานะ <c oughs> ยังต้องฟังธรรมะนะอดทนนิดนึงบางคนมาหวังว่าจะเรียนกรรมฐานความจริงสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคือกรรมฐานนะถ้าฟังไปถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นมา จะรู้สึกตัวได้ทั้งวันทั้งคืนจะเห็นรูปเห็นนามทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะเดี๋ยวเราหยุดพักแค่นี้ก่อนเชิญพวกเราไปทานข้าวนะแล้วลองไปนึกดูนะว่าไอ้ที่เรียนอยู่นะมันเป็นใบไม้ในกำมือหรือใบไม้ในป่า